คุณผู้ฟังคะพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยหมายถึงพระสูตรเมื่อแสดงออกมาแล้วมีเทวดาบรรลุมรรคผลกันมากอย่างน้อยๆก็ประมาณ18โกรธอย่างมากก็คือไม่สามารถจะนับจำนวนได้มีอยู่6สูตรคือ 1. ธรรมจักกัปปวัตนะสูตร 2. มงคลสูตร 3. มหาสมัยสูตร 4. ราหูโลวาทสูตร 5. ปราภวสูตร 6. สมจิตตสูตร สำหรับห้าสูตรแรกนั้นนะคะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงแสดงเองแต่ว่าสูตรสุดท้ายคือสมจิตสูตรนั้นพระสาวรีบุตรผู้เป็นพระอัครส า, าวกเบื้องขวาซึ่งเลิศ ด, ด้วยปัญญาเป็นผู้แสดงความสำคัญของพระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยคือมีเทวดาบรรลุมรรคผลจากพระสูตรเหล่านี้เป็นจำนวนมากค่ะ และเป็นเทวดาที่ว่าผู้ใดบรรลุมรรคผลเพราะพระสูตรใดก็จะมีความชอบในพระสูตรนั้นเป็นพิเศษนะคะแสดงว่าเทวดาที่ชอบพระสูตรที่เป็นธรรมาพิสมัยนั้นจะมีมากกว่าพระสูตรทั่วไปฉะนั้นท่านโบราณอาจารย์จึงแนะนำให้พุทธศาสนิ ก, กชนนำพระสูตรที่เป็นธรรมาพิสมัยนั้นมาสวดอยู่บ่อยๆเพราะว่าผู้ที่สวดจะเป็นที่รักใคร่ชอบใจของเทวดาจานวนมาก เทวดาทั้งหลายก็จะคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะจะประกอบกิจการอันใดก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยเทวานุภาพและเมื่อนำไปสวดในสถานที่ใดก็จะทําให้บังเกิดเป็นมงคลสถานเจริญรุ่งเรืองสถานที่นั้นและบุคคลในสถานที่นั้นจะได้รับการคุ้มครองรักษาจากเทวดาทั้งหลายไปด้วย พระสูตรที่เป็นธรรมมาพิสมัยที่นิยมนํามาสวดกันก็คือธรรมจกกักรกปะวัตนสูตรมงคลสูตรแล้วก็มหาสมัยสูตรสําหรับธรรมจกกักรกปะวัตนสูตรแล้วก็มงคลสูตรนั้นมีพิมพ์เผยแพร่แพร่พรพรหลายตามหนังสือสวดมนต์ทั่วไปอย่างเช่นในหนังสือมนต์พิธีสามารถหาดูได้ง่ายแต่ว่าสําหรับมหาสมัยสูตรนั้นจะมีครบถ้วนเต็มสูตรอยู่ในหนังสือสวดมนต์สิบสอนานแล้วก็หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง ในหนังสือมนพิธีนั้นไม่มีมหาสมัยสูตรครบเต็มสูตรมีแต่ท่อนท้ายจะปรากฏอยู่ในหนังสือสวดมนพิธีว่าท้ายมหาสูตรต่อไปนี้คือนิทานที่นำมาแสดงเพื่อให้เห็นว่ามหาสมัยสูตรเป็นที่รักที่ชอบใจแก่เทวดาทั้งหลายสําหรับนิทานเรื่องนี้อยู่ในคมพีสุมังคะะวิลาสินีอัฏกาถาทีคนิกายมหาวัชตอนมหาสมัยสูตรท่านกล่าวว่า มหาสมัยสูตรนี้เป็นที่รักที่ชอบใจพวกเทวดาฉะนั้นในสถานที่ที่ใหม่เอี่ยมเช่นวัดที่เริ่มสร้างบ้านที่เริ่มสร้างใหม่เมื่อจะกล่าวมงคลก็พึงกล่าวแต่พระสูตรที่นั่นเทียวในช่วงเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงมหาสมัยสูตรอยู่นั้นพวกเทวดาก็พากันคิดว่าพวกเราจะฟังพระสูตรนี้แล้วก็เงียโสโตะลงฟังก็แลดูเมื่ออค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจบ เทวดาจำนวนหนึ่งแสนโกฏได้บรรลุพระอรหัตตผลส่วนมรรคผลเบื้องต่ำทั้งสามคืออนาคามีสกิทาคามีโสดาบันนั้นจำนวนเทวดาที่บรรลุไม่สามารถที่จะนับได้ฉะนั้นเพราะเหตุนี้มหาสมัยสูตรจึงเป็นสูตรหนึ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากมีเรื่องเล่า ว, ว่าที่วัดโกติบรรพุมีเทพธิดาองค์หนึ่งอยู่ที่ต้นกากะทิงใกล้กันกับประตูถ้ำกากะทิง ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งท่องมหาสมัยสูตรภายในถ้ำเทพธิดาองค์นั้นได้ฟังแล้วในเวลาจบพระสูตรเทพธิดาก็ได้ให้สาธุการด้วยเสียงอันดังภิกษุหนุ่มจึงถามว่านั่นใครเทพธิดาตอบว่าดิฉันเป็นเทพธิดาเจ้าคะ่ะภิกษุหนุ่มถามอีกว่าทําไมจึงได้ให้สาธุการท่านเจ้าคะ่ะดิฉันได้ฟังพระสูตรนี้ในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งแสดงในป่ามหาวัน วันนี้ได้ฟังอีกธรรมบทนี้ท่านถือเอาดีแล้วเพราะตัวของท่านเองไม่ทำให้อักษรแม้แต่ตัวเดียวคลาดจากคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ที่ป่ามหาวันเมื่อครั้งโน้นเลยภิกษุจึงถามอีกว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงอยู่คุณได้ฟังหรืออย่างนั้นเจ้าคะ่ะคําว่าเทวดาเข้าประชุมมาฟังกันมากแล้วคุณยืนฟังอยู่ที่ไหนท่านเจ้าคะ่ะ ดิฉันเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่ามหาวันมีศักดิ์น้อยเมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่กำลังพากันมาดิฉันไม่ได้ที่ว่างในชมพูทวีปเลยต้องถอยร่นไปสู่ตามผ้าปินณทวีปยืนอยู่ริมฝั่งที่ท่าชมพูโกแต่ว่าแม้จะถอยมาถึงท่านั้นแล้วก็ตามเมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่ทยอยมาเพิ่มดิฉันเองก็ต้องถอยร่นมาโดยลําดับแช่น้ําทะเลลึกแค่คอ ทางส่วนหลังของหมู่บ้านใหญ่ในจังหวัดโรหนะแล้วก็ยืนฟังในที่นั้นภิกษุหนุ่มจึงแยงว่าจากที่ที่คุณยืนอยู่นี่มันไกลนักแล้วคุณเห็นพระาศาสดาหรือทำไมจะไม่เห็นท่านด้วยพุทธานุภาพนั้นดิฉันรู้สึกว่าพระาศาสดาซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมอยู่ในป่ามหาวันทรงแลดูดิฉันโดยเฉพาะเจาะจงอยู่เสมอจนดิฉันรู้สึกเกรงและละอายภิกษุจึงถามต่อว่า เขาเล่าว่าวันนั้นมีเทวดาแสนโกรธสำเร็จพระอรหัตตะผลแล้วคุณล่ะตอนนั้นได้สำเร็จพระอรหัตตะผลด้วยหรอกหรือไม่หรอกท่านผู้เจริญสำเร็จอนาคามิผลกระมังไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญเห็นจะสำเร็จเป็นสกิทาคามิผลกระมังไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญเขาว่า พวกเทวดาที่สำเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงอนาคามีนั้นไม่สามารถนับจำนวนได้แล้วคุณหลัเทพธิดาสงสัยจะได้บรรลุโสดาบันกระมังซึ่งความจริงในวันนั้นเทพธิดาองค์นี้ได้บรรลุโสดาปฏิผลเมื่อภิกษุถามเจาะจงเข้าจึงรู้สึกเขินอายเทพธิดาจึงได้กล่าวตัดบทว่าพระคุณเจ้าไม่น่าถามซอกแซกลำดับนั้นภิกษุนั้นจึงกล่าวกับเทพธิดาว่านี่แน่ คุณเทพธิดาคุณจะสามารถแสดงกายให้อัตมาเห็นได้หรือไม่เทพธิดาจึงตอบว่าจะแสดงหมดทั้งตัวไม่ได้หรอกค่ะท่านผู้เจริญดิฉันจะแสดงแก่พระคุณเจ้าแค่ข้อนิ้วมือว่าแล้วเทพธิดานั้นก็เอานิ้วสอดเข้าไปในถ้ำนิ้วมือก็ปรากฏแก่ภิกษุนั้นเหมือนกับว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์ขึ้นเป็นพันพันดวงเทพธิดากล่าวว่าจงอย่าประมาทในธรรมนะท่านเจ้าคะ่ะ แล้วก็ไหว้ภิกษุหนุ่มก่อนจากไปอันว่ามหาสมัยสูตรนี้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายอย่างนี้เพราะว่าเทวดาทั้งหลายย่อมถือว่าพระสูตรนั้นเป็นของเราด้วยประการชนิแลอันหนึ่งมิใช่แต่มหาสมัยสูตรพระสูตรที่เป็นธรรมพิสมัยนั้นย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของหมู่เทวดาทั้งหลายเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจงปลูกศรัทธาให้บังเกิดขึ้นในดวงจิต มันสวดสาธยายพระสูตรที่เป็นธรรมาพิสมัยอยู่เถิดท่านจะเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาเทวดาทั้งหลายจะคอยคุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขจเจริญรุ่งเรืองคิดจะประกอบกิจการอันใดก็จะสำเร็จผลเป็นที่น่าอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงด้วยอำนาจเทวานุภาพช่วยเหลือเกื้อกูลดังนี้แลที่มาพุทธมงคลอนิสงส์ประชุมพลพลปัญโย ภาพโดยชนาชัด